เรายังหอบเอารอยของมันมาชมอยู่ทีนี้ลม เ, เข้าก็กําลังเข้าลมออกก็กําลังออกนี่เรายังมาหอบเป็นเพระกูของกูอยู่ทีนี้พอเรารู้ว่าลมเข้ามันก็ดิเป็นอดีตไปแล้วพอเรารู้ว่าลมออกมันก็เป็นอดีตไปแล้ว พอเรานึกขึ้นเราพูดออกมันก็เป็นอดีตไปแล้วนั่นถ้าอย่างนั้นที่ยืนยันเป็นของกูมันไกลกันไหมล่ะทีนี้ของข้าของฉันของคุณหนูของคุณลองปู่ เราต่อสู้กับความหลง้วยปัญญาอันชักเราจะไปเอาหอกเอาง้าวมาสู้มันไม่ไหวดอกเราจะไปเอาลูกระเบิดปรมาโนภายนอกมาสู้มันก็สู้มันไม่ได้เอาพระสติพระปัญญาต่อสู้อยู่ในพระนครหลวงคือจิตใจ พระนครหลวงพระนครหลงก็คือจิตใจพระนครหลวงก็คือจิตใจทั้ทั้งหลายก็หลงใจเมื่อหลงใจก็หลงธรรมเมื่อรู้เท่าใจก็รู้เท่าธรรมรู้เท่าใจตอนไหนๆก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นๆหลงใจตอนไหนๆก็หลงธรรมตอนนั้นๆมันก็หมดคำพูดไปอีกละ พูดมาถึงนี่ล้วหายสงสัยที่จะพูดหายสงสัยที่จะฟังอีกเหมือนกันนะ <laughs> ถามมันดูสิผู้เจ้ก้อนแต่ก่อนมันเป็นของใครเดี๋ยวนี้มันเป็นของไคยละแต่ก่อนมันเป็นของใครไม่ทราบโลกอันนี้ถามมันดูสิมันบอกว่ามันเป็นของใครทีนีกิเลตันหาก็พากันมาแย่งกันข้าฟัน การตายวุ่นวายในวัฏสงสารกูเป็นเวร ม, มึงมึงเป็นเวรกูอยู่อย่างนี้วัฏสงสารอันนี้ไม่เป็นของใครหรอกของสังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกสลายเท่านั้นพระอนิจจังเป็นเจ้าโลกพระทุกขังเป็นเจ้าโลกพระอนัตตาเป็นเจ้าโลก อนัตตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับเป็นเจ้าพระนิพพา น, านแต่ไม่มีอนิจจังและทุกขังปนอยู่ด้วยวันทิกวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ ข้าพเจ้าเป็นวันทิตศข้าพเจ้าเป็นวันจันทร์ข้าพเจ้าเป็นวันอังคารข้าพเจ้าเป็นวันพุธข้าพเจ้าเป็นวันพฤหัสข้าพเจ้าเป็นวันศุกร์ข้าพเจ้าเป็นวันเสาร์เขาก็ไม่ยืนยันเขาก็ไม่ปัดด้วยไม่รับด้วยไม่ปัดด้วยข้าพเจ้าเป็นปีใหม่ของพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นวันตรุษจีนข้าพเจ้าเป็นวันตรุษไทยข้าพเจ้าเป็นวันตรุษลาว ข้าพเจ้าเป็นวันตุดเจ็กข้าพเจ้าเป็นวันตุดหยวนตุดแก้วเขาก็ไม่ว่าพวกเราสมมุติกันเฉยๆหรอกข้าพเจ้าเป็นวันจมข้าพเจ้าเป็นวันฟูข้าพเจ้าเป็นวันโลโลกาวีนาข้าพเจ้าเป็นวันอุบาทถ้าหากว่าวันไหนเป็นวันอุบาทพระหนานก็ต้องมาเป็น ผู้ทุชนคนหนาหมดทีนี้เพราะเป็นวันอุปกข้าว่าเป็นวันโลกามีน่าพวกเศรษฐีก็ต้องหมดเงินไม่มีเงินจะใช้ทีนี้ น, นี้มันสมมุติกันในศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธสวัสดีปีใหม่ไม่รู้ว่าได้ปีใหม่มาจากไหนก็ปีเก่านั่นเอง มสมมุติกันชาวโลกแต่ก็สมมุติก็ตามแต่ว่าอย่าติดอยู่เพียงแค่นั้นให้รู้ลึกไปกว่านั้นอีกเขาพายใข่พอไข่ไปแต่เราไม่ติดอยู่เราไม่สงสัยเขาว่าของข้าของผมของดิฉันก็พูดไป แต่ว่ามาให้เดือดร้อนเพราะเรารู้ทั้งเขียนรู้ทั้งลบรู้ทั้งสมมติรู้ทั้งวิมุตติรู้ทั้งบวกรู้ทั้งลบรู้ทั้งคูณรู้ทั้งหาร <Okay. S 1> เราไม่ติดอยู่ในบวกลบคูณหารอีกด้วย เรารู้ทั้งกินรู้ทั้งถ่ายแต่ไม่ติดอยู่ในกินในถ่ายด้วยเรารู้ทั้งยืนเดินนั่งนอนแต่ไม่ติดอยู่ในยืนเดินนั่งนอนด้วยพูดน้อยน้อยไม่พอใครพูดหลายเมาหนำลายเมานำามานำลายดีกว่าเมาเล่า <laughs> ใครเป็นผู้นั่งก็สังขารนั่งพระนิพพานไว้ได้มานั่งด้วยใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็สังขารเป็นผู้ฟังผู้พูดก็สังขารพระนิพพานวัน้มาพูดด้วย ใครแก่ใครเก็บใครตายก็คือสังขาร น, นั่นเองพระนิพพาน ม, มาในมาเก็บแก่แก่เก็บตายด้วยสิ่งที่พ้นจากแก่เก็บตายแล้วไม่ได้มาแก่เก็บตายด้วยใครเป็นโรคใทรกเลือนก็สังขารเป็นโรคใทรกเลือนพระนิพพานว่าได้มาเป็นด้วย ใครเป็นผู้แก้ตอบฟันหักก็คือสังขาร น, นั่นเองท่นี่ผ่านมาจะมาเป็นด้วยใครว่าของกูของกูของกูยืนยันจนไม่รู้จักวาง ก็คือกิเลสพระนิพนาพนานไม่ได้มาแยางกิเลสด้วยเปิดประตูเข้าเราก็เปิดเป็นแต่เวลาออกเราออกไม่เป็นก็เรียกว่าเราโง่ทีนี้ชั้นใดก็ดีเมื่อเราเกิดมาในวัฏจักรสงสารเราก็เกิดเป็น เมื่อไม่ต้องการเกิดเมื่อไม่ต้องการเกิดก็ทำไม่เป็นใช่แล้วคล้ายๆก็ว่าเข้าประตูเป็นเปิดออกไม่เป็นนั่นเองโลกก็ลุยจักโลกโกรก็ลุยจักโกรธหลงก็ลุยจักหลงแต่ไม่ชนะโลกโกรธหลงอยนี้ นี่จะปลาลูกลอะไรก็ปลาลูกกัน ใ, ในเรื่องพิเศษทีพรุ่งนี้จะไปตอนไหนพรุ่งนี้ตอนเช้าหรือตอนเช้าค่ะวเดงดก็พากันทำอาหารจะก่อนทำอาหารรับจะก่อน เราไปรับในกลางทางเนอะมันลำบากที่นี่มันตกรถแล้วรึไ ม, ไม่ตกนะกะมาพอดีแล้วนะ ม, มึงค่าไม่มี ว, วนเนี่ยอย่านั่งใกล้กันเนอะนั่งใกลก้นเนอะ อ, อยู่มาเดียวกัน เวลาลงรถก็เหมือนกันบ้านเดียวใกล้กันไหมล่ะไม่ใกล้กเท่าไหร่ะแต่ก็ไปลงที่แห่งเดียวกันค่ะลงตลามติดยกันมอากมากของารปูเน้นเรื่องใจรักมากกว่าทุกอย่างมากกว่าทุกอย่างเพราะัดจะเบื่อจะหน่ายคลายเมาก็ใจรัว สมาธิสักไม่เบื่อหน่ายพราะประจิตอยู่ที่นั่นแกะยากถ้าเราไปแกะเขาเขาบอกว่าเออตนภาวานากิตไม่รวมสักทีมาเทศเราเขาก็นึกอย่างนั้นจนี้เออตนภาวานาไม่เหมือนเรามาเห็นในมิตรต่างๆเทวาบุตรเทวดายินพรมยมยักษ์ไดวมาเทศให้เราวางเราปล่อยได้แต่คำพูดเท่านั้นภาวานาไม่ลงเขาก็ต้องเพ่งโทษเราอย่างนี้ ไอ้ที่แท้เราตกนาลกมาแล้วไอ้ที่แท้เราตกมาลกนาลกมาแล้วในส่วนนั้น mm hmm. บางทีหาะเหินเดิอนอากาศขึ้นไปบางทีเหาะขึ้นไปเดินยองกลมในอากาศสารพัดวเตถุ์อย่าง mm hmm. บางทีขับรถกระโดดข้ามห้วยนิวิต อยู่บ้านน้องผือข้าอยู่บ้านน้องผือนั่งรถไปกับหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาพาขับรถกระโดดข้ามเหวเลยพี่พอข้ามเหวไปแล้วไม่เห็นหลวงปู่มหาเี้ เราไปหาไปก่อนแล้วโอ้ยเราเลยไปเห็นมิมานทีน่นี่มีแต่วัตถุไม่มีผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นมีมานทุกๆคนคนหนึ่งก็มาเห็นเทวุตเทวดาองค์ไหนก็มาเห็นมีแต่สิ่งของเต็มแล้วก็ถามล้วว่าติดไหมบอกว่าไม่ติด ตอบตนเองอติดไหมไม่ติดบอกเจ้าของถามเจ้าของไปสองธรรมะ<อ>ติดไหมไม่ติดเจ้าของทุกนประสาทบนสวรรค์ที่เห็นได้เป็นแบบแง่หนึ่งเป็นฝานา่ายพณิพพานแง่หนึ่งเป็นฝ่ายสังขารส่วนอ น, นิจจังมีแง่เดียวแต่ฝ่ายสังขารกับทุกขังมีแง่เดียวส่วนอนัตตา ม, มีสองแง่ เหตุฉะนั้นจึงว่าสัพเพธรรมาอนัจติสัเพธรมาอนัจติหมายถึงพระนิพพานด้วยสัพเพสร้างขาราอนิจจาสัพเพสร้างขาราทุกขาสัพเพสร้างขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัจติสะอนิตจาในพระพุทธศาสนามีสองแง่แง่หนึ่งเป็นสังขารแง่หนึ่งเป็นวิสังขารไม่เหมือนอนิจจง อันนีจังก็ทุกขั้งอย่างเงี้ยเดียวแต่ฝ่ายทางขานอันนี้จามีอันตามีสองแพ่งแพ่งหนึ่งเป็นฝ่ายพระนิพพานใรวนิวพานยึด่งถึงขั้นไหนคะไหอันนาตตาในแง่ของพระนิพพานเค่ะอันตตาในแง่ของพระนิพพาน ก็พระโสดาบันเป็นอนัตตาในแง่ของพระเิปทานพระจักกะทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระละหัน์ก็เหมือนกันแต่อนัตตาในฝ่ายพระโสดาบันจักกะทาคามีอนาคามีเป็นอนัตตาที่ได้จะปฏิบัติไปอีกอยู่ยังไม่จบสิ้นจะมีการละการถอนอยู่ จะมีการปฏิบัติอยู่ส่วนอนัตตาในฝ่ายพระนิพพานอรหัตตรมอรหัตผลนะหรือจนถึงอนุปาทิเสสนิพานนะั้นเป็นอนัตตาที่บริบูรณ์จบสิ้นแล้วไม่เกิดไม่ดับนะไม่มีจบจบจิตในพระพุทธศาสนาเลยอนัตตนะั้นเต็มบริบูรณ์แล้วส่วนอนิจจังไม่ต้องกล่าวหา รับทุกขังก็ไม่ต้องกล่าวหาไม่มีเลยไม่มีไปเกี่ยวกับปนเลยสะอุปาทิเสสนิพานมีขันธวิบาครองอยู่พระรหัสที่ยังไม่ตายที่ยังไม่สิ้นลมปราณมีขันธวิบากอยู่แต่ขันธวิบากของพระรหัสไม่มีกิเลสสิง พ้นจากกิเลสเลยเมื่อพระอรหันต์ตายแลย้วก็คือดับขันธิบาศตอนกิเลสดับแล้วสอุปาทิเสชนิพานดับกิเลสอยู่แต่ยังเป็นจขันอนุปาทิเสชนิพานดับทั้งกิเลสดับทั้งเป็นจขันธนักสี่พ้นสี่นิพานหนึ่ง นิพพานในนวโลกุตระธรรมเก้าหมายถึงอนุปาทิเสสนิพานไม่หมายถึงพระรหันต์ที่มีชีวิตอยู่พระรหันต์ที่ที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าสัโอเปอุปาทิเสสนิพานพระรหันต์ที่สิ้นลมปราณแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพาน ตี้ทาอาหารที่มีิวประมาณได้ค่ะโอ้ยคงมีมากไม่ใช่ของน้อยน้อยเ่รเรื่องถา้มว่ากิเลสดับไปหมดแล้วแล้วสังขารอยู่เพื่ออะไรนะรอยู่รองั้สังขารอยู่ได้เพราะ วิบากของกรรมแต่ชาติก่อนผลของกรรมแต่ชาติก่อนจะกำหนดไว้วาควรจะอยู่ในลักษณะไหนแน่ๆวิบากของกรรมในชาติก่อนที่สร้างไว้แต่พระอรหันต์อยู่เหนือวิบากไปแล้วไม่คอยรับผลไม่คอยได้รับเหตุรับผลด้วยเช่นพ้าโมกคันลา ก็ามาฆ่าท่านก็มาฆ่าเธอถูกคันทวิบากเท่านั้นไม่ได้ถูกทำอันไม่ตายของท่านถ้าะท่านวางคันทวิบากแล้วแค่ายายกับจุโจรมาปนเราเมื่อเรามาเผาเรือนของเรามาเผากุฏิของเราแต่เราไม่ได้อยู่ในกุฏิใช่แล้ว ขั้นใดก็ดีขันทวิบากของพาาระละหันเมื่อบุปกรรมใจชาติก่อนตามมาก็ไม่ถึงใจท่านก็ไม่ถึงธรรมะของท่านมาแต่ถึงแต่ขันทวพิบาเพราะขันทวิบากท่านปล่อยวางแล้วท่านไม่ยึดมั่นว่าเราว่าเขาว่าสัตว่าบุคคลแช่แล้วเหตุฉะนั้นมันจึงไม่ถูกท่านไม่ถูกจิตเพราะจิต กลายเป็นธรรมไปเสียแล้วจิตกลายเป็นธรรมอันแม่ตายไปเสียแล้วเยนั้นท่านก็หมดความเจ็บปวดแล้วสิคะอ้ก็หมดแล้วเพราะท่านไม่ยึดมั่นถึงมันการเจ็บปุกการเจ็บปวดก็เป็นคันทวิบากพระละหันไม่ได้เก็บปวดทันทวิบากสังขารมรู้ว่าเจ็บปวดอยู่แต่พระละหันไม่เจ็บปวด มีคนมาทุบตีพระอรหันย์นะมีคนมาทุกตี พ, าา ร, ะตพระอรหันย์ก็ขันทัพิบากก็รู้ว่าเจ็บอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี่แต่ว่าผลของกรรมของพวกนั้นก็มีอยู่อีกเหมือนกันหมายถึงความเจ็บปวดมีแต่ท่านไม่รับไม่หนับท่านแม้รับว่าของกูของกูไม่มีมในสุขในทุกในอุเบกขาซึ่งตกับการของไม่ไม่รับกับ ไม่ใช่ขมไม่ใช่ขมรู้ตามเป็นจริงรุดพ้นไปแล้วการขมเพราะมันยังไม่พ้นต้องขมอยู่เมื่อพ้นไปแล้วการขมไม่มีท่านพ้นไปแล้วเรื่องเก็บปวดก็เป็นเรื่องของสังขารนี่ถ้ากรรมฐ า, านองค์หนึ่งป่วยท่านก็คลางทีนี้ เอ๊ะทำไมถึงครางมากฮผู้ครางมันก็อยู่ต่างหากผู้ไม่ครางมันก็มีครับแกตอบมาเอางั้นต่อมาผู้คลางมันก็ต่างหากผู้ไม่ครางก็มีอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เมตตตปัฏฐานายานเห็นภายในการยึดการถือเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวอาทีนุนวานุปัชฌนายานเห็นโทษในความหลงเห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นปฏิสังขารุปัชฌนายานพิจารณาหาทางที่จะปล่อยวาง สังขารเเปกขายานวางเฉยในสังขารสีชัจจานุโลมีกะยานพิจารณาอริยสัจทั้งหลายที่ตนได้ละมาแลว้วที่ตนได้พ้นมาแลว้ว สนใจในเรื่องหลุดเรื่องพ้นชนะความสนใจทั้งปวงในโลกสนใจในทมอันไม่ตาชนะความสนใจทั้งปวงในโลกสนใจในเรื่องข้ามความหลงชนะความสนใจในเรื่องกระพาะพูนความหลง ต้องการเห็นก็ต้องเห็นลมข้าวออกแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลต้องการลู้อะไรก็ต้องลู้ตามสติกำลังแต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ถ้าสุดเพียงแค่เห็นก็สุดเพียงแค่รู้ก็ดูว่าไม่มีเรื่องอะไรมากเห็นก็ไม่ปฏิเสธเห็นรู้ก็ไม่ปฏิเสธรู้แต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของพิษทั้งหลายก็ไม่มี มีเฉือนนามจะเฉือนวันยังค่ำก็ไม่มีพิษก็ไม่มีแผลนี่นกบินในอากาศจะบินวันยังค่ำก็ไม่มีรอยจะถ่ายเท็ก็ไม่ได้ปลาเล็กแหลมไม่จับพันธพักากาศไว้ฉันใดรูปเบทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณ การนึกคิดของพระอริยะเจ้าก็อย่างนั้นพระอริยะเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในการนึกคิดไม่ได้จิตติดอยู่ในผู้รูถ้าหากว่าผู้รู้ของพระอริยะเจ้าถ้าติดอยู่ในผู้รู้ถ้ามีผู้มาคัด ข, ข้านท่านก็ต้องโกรธดิดังนั้นความโกรธของท่านจึงไม่มี ตัวข อ, องตัวผู้รู้ถ้าหากว่าที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ขึ้นอยู่แต่ละลายของผู้รู้ผู้รู้ที่มีปัญญาสัมประยุทธ์ที่ถ่ายถอนเป็นผู้รู้ในโลกุตระผู้รู้ที่มัมีปัญญาถ่ายถอน ที่ไม่ผ่อนตนพ่อนหนักให้เป็นเบาที่มีอุปทานยึดมั่นอยู่มากจนแกะไม่ออกจนไม่รู้จักวางเป็นผู้รู้ในฝ่ายโลกิยะผู้รู้ในฝ่ายโลกุตละมีที่ปร่งวางผู้รู้พระสวสดาบาลโรงวางไปมากแล้วไม่ถึงกับผูกเวร ผู้ลูกพระจักทาคามีก็ปรงวางไปมากแล้วผู้ลูกของพระอนาคามีปรงวางหมดแล้วยัยงนิดเดียวยังมีทิฏฐิอยู่นิดเดียวา้วก็เกิดการปรงวางผู้ลูกก็โปรงวาง คือสรุปลักษณ์เจนสติตามมามีสติตามมาอยู่ในขณะเดียวกันไม่มีอันใดก่อนในใดหลังผู้รู้ก็ดีปัญญาก็ดีปงวางก็ดีก็พร้อมกันในขณะเดียวไม่มีอันใดก่อนอัในใดหลังก็เลยเป็นอย่างเดียวกันอืมเป็นอย่างเดียวกันพอเสร็จแล้วนะพอไดอีกพอรู้เสร็จพอมันอาจจะยินานแล้วย่งางนานก็ักหนึนะฮะอาจจะชั่วโม โมหะมันก็จับขึ้นมาอีกถ้ารู้ชอบผู้ปกงวางของมันก็อยู่ในขณะเดียวกันเหมือนเครื่องดนต์สามเครื่องดนต์มันเดินอย่างียวอย่างเดียวกันพรอมกันม่นมีอในก่อนในหลังเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเอลไรปับ๊บนี่มันก็ปั๊บนั่นเหมือนกันพรอบกันมันมีในก่อนในหลัง มันเป็นกําลังป้องกันเลยจังหวะเดียวกันเลยไม่มีอะไรก่อนในหลังชัศนาวิทยะสติสมาธิกหมันกันปัญญากลมนกันในขณะเดียวกันเลยไม่มีอะไรก่อนอันไห น, น, ไนไหลังถูกแล้ว คือจิตละเอียดนั่นเองผู้รู้ผู้รู้ในโลกุตละก็คือจิตละเอียดเชจนกั น, นผู้รู้ตามธรรมชาติก็คือจิเอดเฉยๆจิตที่เกี่ยวกัเขาเฉลียดอยู่มากจิตที่เกี่ยวอยู่กับความหลงมากผู้รู้ก็มีชั้นสูงในต่ำกว่ากันเป็นธรรมดาผู้รู้ของพระสวัสดบิบาลผู้รู้ของพระชกตาคามี ผู้ลูกของพระอน า, าคามีผู้ลูกของพระลาหน์ก็มียิ่งยอดกว่ากันอีกบางครั้งไม่รู้ว่าจัสัญญานั่นนี่ไม่รู้จัดสัญญาทาราโอนสัญญาโอนสังขารโอนวิญญาณ ถ้าเราชัดถ้าเราชัดในสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลแล้วปัญญามีอำนาจเหนือสติมีอำนาจเหนือั้ำประชัญยะก็มีอำนาจเหนือผู้หลงเชืเ่อถ้าหากว่าสติปัญญายังไม่เหนือสิ่งเหล่านี้มันก็จำเป็นจะไปสอดแทรกอยู่เหมือนกัน จะค่ายกับล่าของไม่สะอาดเราลืมตาขึ้นการเห็นกับการลืมตาขึ้นมันในขณะเดียวกันเราหลับเข้าการมืดกับการหลับการหลับมันก็มีขณะเดียวกันไม่หากกา่างกันเลย เหตุกับผลมีในขณะเดียวกันเหตุหลับผลมืดเหตุรับเหตุมืดผลลับผลมืด อ, อันเดียวกันทีนี่พระนั่งอยู่เหนือเหตุเนือผลไปแล้วทีนี่พระไม่สร้างเหตุเพื่อเอาผล พรพอแล้วพรเต็มแล้วพรวางแล้วพรวางเหตุวางผลแล้วพอรู้ทันเหตุทันผลแล้วทั้งรู้ด้วยทั้งปล่อยด้วยทั้งวางด้วยทั้งรู้รบอบครอบญาบคลายด้วยรู้ไม่กระทบกระเทือนตัวเองด้วย รู้ไม่มีพิษด้วยเพราะไม่ยึดถือในผู้รู้ใจใดไม่อิงพิษเป็นเหตุทำนอกเหตุก็ไม่ต้องไดหาใจนั้นเลยนาะไม่ได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวอยู่นอกเหตุ มุดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาความหลงไปไม่มีรอย